بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل و, و س ل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربشرح ا لي صدري يسر لي أمر وحل العقدة م ا الع ل س ا ن يفقه قولي اللهم ا ن فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا و ز د و إ ن, ن, ن ر ر ا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة و ه ي ئ لنا มนอเมร์เรา رش ดาอัลฮะมดุลลอฮ์ชูครตัอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะเลาเลเวลานะครับอีกสองเดือนวันนี้เป็นถ้าตามประกาศก็คือตามประกาศสำนักจุลาราชวนันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนรอจับนะครับนั่นก็แสดงว่าเรามีเวลาเดือนรอจับเดือนช้างบานสองเดือนนะครับ ก็จะถึงเดือน رمضان อินชาอัลลอฮ์ก็คิดว่าน่าจะจบทันสุตุเซบะเพราะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวของสุรตูเซบะในความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก่อนที่จะจบสุร์เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ سبحانه และเต่าละ ได้ยกเอามาเล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตเพื่อให้เราได้ใช้เป็นบทเรียนในการศรัทธาต่อพระองค์และอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างของกลุ่มชนที่อรัสตาละทำลายเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์วันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่ยี่สิบหน้าที่หนึ่งพันเจ็ดสิบสามอายัดที่ยี่สิบเป็นต้นไปประมาณสักสี่อายัดอินชาอัลล์สี่หรือห้าอายัดนะถ้าอ่านทัน ยัตีจากส و h ة ส عوذ بالله من الشيطان الرجيم الش ولا قد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. و َمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ م َ ن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ และศักดิ์สิทธิ์ว่ารับคุ อุ ل دع َ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ م ْْ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ "قال ذرة في السماوات ولا في الأرض <ت ص في ق> وما لهم فيهما من ش ر ك وما له منهم ไม่ไร่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ حتى إذا فُزِعَ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. วะฮ์วะลอฺอ uh, ฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺดฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺอฺลฺอฺยฺอฺลดอฺลนอ้ลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลอัลฺอฺลฺอฺลฺอฺลฺอฺลอลฺวฺลออฺลฺอฺอฺลฺลฺอฺล ว่าเมืองสบะมีความอุดมสมบูรณ์ยังไงบ้างแล้วสุดท้ายล่มสลายเพราะอะไรพฤติกรรมความสะดวกความสุขความสบายของชาวสบะเนี่ยนำไปสู่การปฏิเสธอัลลอฮ์ سبحانه และแล้วสุดท้ายพฤติกรรมเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุทำให้ เมืองของพวกเขาล่มสลายเรื่องราวของพวกเขาละตอลาล่าบอกว่าอินนฟิซาลิกะและอายะตินลิคุลซับบารินชักูรเรื่องราวของชาวศัพทและแน่นอนเรื่องราวของประชาชาติทั้งหมดก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่มีบทเรียนสำหรับคนที่ซับบารินชักูร คนที่อดทนและคนที่ขอบคุณชาวซา บ, บะน่าแปลกมากเลยนะครับบางทีเวลาที่เราพูดถึงความอดทนเนี่ยวันก่อนเราก็อธิบายไปแล้วนิดหนึ่งว่าระหว่างสองอย่างเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาไม่อดทนก็ต้องขอบคุณเวลาที่เราพูดถึงความอดทนเนี่ยเรามักจะนึกถึงความลำบากและเวลาที่เราพูดถึงความขอบคุณเราจะนึกถึงเฉพาะเวลาที่เรา ที่เราสบายในทางกลับกันมันมีด้วยนะตอนที่เราสบายเนี่ยต้องอดทนด้วยอดทนยังไงเอาเรื่องราวของชาวสะเบมาเป็นบทเรียนชาวสะเบเนี่ยสบายแต่ไม่อดทนไม่ขอบคุณและก็ไม่อดทนทั้งสองอย่างเลยไม่ขอบคุณนี่ชัดเจนมากว่าไม่ขอบคุณแต่ไม่อดทนนี่ไม่อดทนยังไงไม่อดทนในการที่จะ ระงับตัวเองไม่อดทนในการที่จะไม่ฝ่าฝื้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่อดทนในการที่จะดูแลเนื้อหมัดเจ้าลักษะาลาให้ในทางที่ถูกต้องแต่ยอมแพ้ตัญหายอมแพ้ชัยตอนแล้วสุดท้ายใช้เนื้อหมัดเจ้าลักษะาละให้เนี่ยในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นคนที่สบายก็ต้องอดทน อดทนในการที่จะดูแลตัวเองให้อยู่ในกรอบเพราะว่าคนที่สบายนี่แหละมักจะออกนอกกรอบของศาสนามากกว่าคนที่ลำบากอะยาวิลลาฮิมิิกเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชาวสบายเนี่ยน่าสนใจมากๆทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่รู้จักขอบคุณ Allah และรู้จักอดทนในการที่จะดูแลนหักของ Allah سبحانه และก็ตาทั้งตอนที่เราสบาย และตอนที่เราลำบาทีนี้การล่มสลายของประชาชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบะต์ตีหรือชาวกลุ่มชนอื่นๆในยุคในยุคสมัยของบรรดาอบีต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือชัยตอนซุบฮานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัลาูดถึงชัยตอน อัลลอฮ์พูดถึงอิบลิสเวลาที่พระองค์พูดถึงการล่มสลายของประชาชาติต่างๆก่อนหน้า น, นี้ในอายตนี้ว่าอย่างไรความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของชัยตอนกับการล่มสลายของมนุษยชาติแล้วก็ได้ซัดดัก عليهم إبليس ظنه فتبعوا إلا فريقا من المؤمنين อ่าว่าแล้วก็ศรัทธา عليهم อิบลิสแน่นอนอิบลิสได้ทําให้การนึกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจริงอธิบายยังไงอิบลิสเนี่ยซ่อนเคยคาดคิดคาดคะเนเราต้องย้อนเรื่องนี้กลับไปตั้งแต่สมัยอาดัมตอนที่เอลกัสลาสังอาดัมอิบลิสไม่ยอมสุ่ยุ่ต่ออาดัม สุดท้ายอัลลอฮฺก็เรียกอิบลิสมาว่าทําไมไม่ยอมสุ jud ต่ออาดัมอิบลิสก็อธิบายว่าตัวเองเป็นผู้ที่ดีกว่าอาดัมแล้วก็ท้าทายต่อนหน้าอัาาลลอฮฺ سبحانه แะก็อัลลอฮฺว่าสาบาตนต่อหน้าอัลลอฮฺว่าขอจากอัลลอฮฺด้วยซ้ำขอให้ฉันมีอายุยืนยาวจนถึงวันกียรติและขอให้ฉันเนี่ยจะท้าทายอัลลอฮฺว่าจะล่อลวงลูกหลานอาดัมจนถึงจนงกียมรติ แต่การท้าทายของอิบลิสต่อหอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ท้าทายด้วยความมั่นใจเป็นการท้าทายด้วยการคาดคิดด้วยการคาดคะเนเพราะฉะนั้นในภาษาอาหรับเนี่ยจึงใช้คําว่าซอนคิดอิบลิสคิดว่าตัวเองสามารถที่จะทําลายมนุษย์ได้จึงท้าทายต่อหนอัลลอฮ์แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นทางขวาทางซ้ายข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลัง มันจะมาทุกทางมันคิดว่ามันสามารถจะทำท ำ, ทำลายมนุษย์ได้ใช่ไหมทีนี้ถามว่ามันทำได้หรือเปล่ามันทำได้เฉพาะบางส่วนว่าละกัดซัดดะก์อะไลฮิมอิบลิซุวันนะฮุอิบลิซ์ทำให้สิ่งที่ตัวเองคาดคะเนตั้งแต่วันแรกที่มันท้าทายตอนน้นอัลลอฮฺสุบานตะ่ออะไรเนี่ยเป็นจริง เป็นจริงกับคนบางคนกับมนุษย์บางพวกมนุษย์ส่วนใหญ่ฟ้าจะเอาพวกเขาได้ตามอิบลิสพวกสัตที่ล่มสลายก็เป็นเพราะโดนอิบลิสล่อลวงไปกลุ่มชนต่างๆที่ล่มสลายไปในสมัยอดีตก็เป็นเพราะตามอิบลิสตามชัยตอน سبحان الله. إلا فرقة من المؤمنين. ยกเว้นกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่ไม่ได้ตามอิบลิสสบ حان الله. ไม่มีใครที่หนีพ้นอิบลิสยกเว้นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นและอิลล aha إ ل ่าถ้าเรากลับไปดูเรื่องราวของอิบลิสหรือชัยตอน ลองกลับไปมีคลิปที่เคยสอนนะครับบทเรียนเกี่ยวกับการรู้จักซาอิตต์ سبحان อัลลอฮฺไปน้องครับตั้งแต่วันแรกที่มันท้าทายตอนนั้นอัลลอฮฺ س าแตลาจนถึงวันนี้มันยังคงทำงานทุกวันแล้วมีผู้คนมากมายเท่าไหร่ที่เชื่อฟังมันปฏิบัติตามมันปฏิบัติตามอิบลิสเนี่ยถามว่า ด้วยพลังอำนาจของอิบลิสอิบลิสหรือชัยตอนมาบังคับมาควบคุมหรือปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจเวลาที่มนุษย์ตามชัยตอนเนี่ยเพราะชัยตอนมันมาอยู่ในเราแล้วก็มันเอามือเราไปทํานูน่นเอาเท้าเราเดินไปที่มัเสียดหรือว่ายัางไงเราเดินไปของเราเองเรีย่ายังไง อัลลอฮฺะ ع า ل ى บอกเองนะว่าไม่ได้มีอำนาจใดๆเหนือมนุษย์เหนือพวกเข า, าอิมลีสทำให้มันเป็นจริงแต่มันไม่ได้ใช้อำนาจที่จะสามารถบังคับมาขู่เข็นหรือมาใช้อำนาจแบบที่มนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่อัลลอฮไม่ได้ให้อำนาจ ให้กับอิบลิสแบบนั้นที่เพราะฉะนั้นอิบลิสไม่ได้มีอำนาจที่จะมาทำให้มนุษย์ทำผิดทำมะเสียดได้แต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราแตาละอนุญาตให้อิบลิสวิสวาสเท่านั้นเองเราแตาละอนุญาตให้อิบลิสมากระซิบกระซาบ ม, มาล่อลวงมาชักจูงมาเชิญชวนมาโฆษณาล่อตาล่อใจแล้วสุดท้าย คนที่ตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปจะระงับตัวเองจะสู้ก็อยู่ที่มนุษย์เองซุบฮานัลลอฮฺรัชานัลวะมะคานะเลห์อัลเลห์มินซุลกาอนอิบลิสไม่ได้มีอำนาจในการที่จะบังคับมนุษย์ไอ้ทลุตวะควห์รวะกัสรอลามายูริดุมินฮฺไม่มีแต่ว่าอัลลอฮลอนุญะ ให้มันทําการล่อลวงด้วยคําพูดของมันด้วยการประสิบประซาบของมันด้วยพักพวกสมุนของมันที่มันทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นมักเสียกเนี่ยดูล่อตาล่อใจอยากจะเข้าไปร่วมอยากจะเข้าไปจอยอยากจะเข้าไปแจมเห็นไหมเทศกาลของอิบลิสมีตลอดทั้งปีแล้วแต่ละเทศกาลเนี่ยโห อ, อดไม่ไหวอยากจะไปดูไปดูสักหน่อยก็อยางได้ ไม่ไปร่วมแต่ก็ไปดูสักหน่อยก็ยังรู้สึกว่าเออโอเคสุภานัลลนี่คือสิ่งที่อลัอลลอฮ์อนุญาตอ่าละอิลาอิลล allah ทำไมมีกมั ة อะไรที่อลัอลลอฮ์อนุญาตให้อิบลสเนี่ยมากระสิบกระซาบมนุษย์ได้เป็นการทดสอบเราที่อลัอลลอ์อนุญาตให้ชัยตอนมาล่อลวงมนุษย์ได้เนี่ยเป็นการทดสอบมนุษย์ อิหล่าลนั้งลามะมันยุเอมนุบิลอาขรติมิมันฮัวมินห่าฟีชักกันที่อัลลอฮฺต้าลัยอนุยัดให้อิบลิสเนี่ยมากระซับกระซาบมนุษย์แล้วสุดท้ายมนุษย์เองคือผู้ที่เลือกว่าจะตามอิบลิหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ปรากฏเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงและใครเป็นผู้ที่มีความสงสัยสุภานัลละเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้เพื่อทดสอบว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่สัก์จริงต่ออ AH, mm ัลลอ์เขาจะได้ระ ง, งับตัวเองเขาจะได้ไม่เชื่อฟังอ e ิบลีสส่วนคนที่ไม่สนใจหรือไม่มั่นใจในวันอาครุรอันนี้ไปหมด แต่ไม่มั่นใจว่าสวรรค์ของละตัลามีจริงไม่มั่นใจว่านารกของละตัลามีจริงนะ่ยอิบลิสชวนไปทางไหนก็ไปชวนไปทางขวาก็ไปชวนไปทางซ้ายก็ไปชวนไปร่วมงานนี้ก็ไปชวนไปร่วมงานนู้นก็ไปแลไปทุกงาน <c oughs> ทุกงานทุกรูปแบบทุกกระแสนะอูซุบิลลาฮิมิซัลิกเพราะฉะนั้นจําเอาไว้อิบลิสไม่ได้มีอํานาจบังคับชักจูงเราไปเราต่างหากเลือกที่จะไป การชักจูงการชวนของอิบลิสเป็นบททดสอบความเข้มแข็งความศรัทธาของเราถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งเราจะแสดงตัวเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งให้อัลลอฮลาเห็นก็ต้องสู้กับอิบลิสอย่าตกเป็นท่าการชักจูงของมันวละ พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงคุ้มครองดูแลทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้อัลละตาอัลาดูแลเราก็ต้องรู้จักอิบลีสละนะทุลละต้องรู้จักข้อเท็จจริงของมันต้องรู้ว่าหน้าที่ของอิบลีสทำอะไรและเมื่อไรก็ตามที่เราตามมันบรนพยาของเราจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วตัวอย่างเรื่องนี้ เรื่องการตามอิบลีสแล้วบนปลายจะเป็นยังไงเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตมีมาตั้งแต่สมัยนบะีอาดัมไม่ต้องไปพูดถึงใครเลยนะเวลาที่เวลาที่เราจะพูดถึงอันตรายของอิบลีสเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องของอาดัมก็พอมีอะไรที่จะน่าเศร้าใจมากไปกว่าการที่เราอยู่ในสวรรค์ดีดีอ่ะแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ไล่ออไให้เราออกจากสวรรค์แล้วมาอยู่บนโลกมาต้องลาบากบนโลกเนี่ย มีความทุกข์ไหนในโลกนี้ที่จะหนักไปกว่าความทุกข์นี้อีกฮะมีอะไรที่เครียดมากไปกว่านี้อีกอยู่นั่นแหละที่บอกว่าคนสบายนี่ต้องอดทนทำไมอาดัมถึงต้องออกจากสวรรค์ทั้งๆที่ทททสบายอยู่แล้วเพราะอะไรไม่อดทนไม่อดทนต่อการล่อลวงของใชตอนเหนาจะเป็นอลละไร นี่ตัวอย่างชัดเจนแล้วไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเรื่องเราหลังจากอาดั้งเนี่ยโอ้โไหไล่มาได้เลยตั้งแต่ยุคสมัยนบีโนเป็นยังไงยุคสมัยนบีมูซาเป็นยังไงยุคสมัยนบีต่างๆเป็นยังไงโดนอิบลิสวาดเรียบละขาวเล่าว่าโคอาตเอลามิมาจนถึงยุคเราก็ยังสู้กับอิบลิสไม่หวาดไม่ไหวอินนัลชาอิตนะละกุมะดูน <c oughs> ยูนายนุสรห์ฮะเลี้ยนสรห์ฟะตเราเรียนไมรว่าสรห์นี้สรห์นี้อินนัยนะลกมอดูนฟัติซฮอดูวะสระห์ฟติรรห์ฟติรีเราเรียนไลอินนัยนะลกมอดูนฟัติซฮอดูวะ ا ني. ني ل ر. ر إ ل ا, إ ل ل ه ب ح ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل ه من ا ل ش ط ان. อันนี้คือบทสรุปนะสั้นๆเป็นข้อคิดให้เราได้คิดว่าความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของอิบลิสกับการล่มสลายของมนุษย์กับบรรปลายที่เลวร้ายของมนุษย์มันเป็นยังไงทีนี้หลังจากที่จบการให้บทเรียนในเรื่องราวของชาวซาบะ อ, ะอลักษต์ละก็หันกลับมาพูดคุยให้ท่านนาบีสุ ล, ล, ลาะสัลลัมพูดคุยกับพวกมุชริกี อีกครั้งหนึ่งน่เล่าเรื่องราวของดาวูดของสุไลมานให้พวกมุสลิกีนฟังว่าคนเหล่านี้อัลลอฮฺให้เนืหมัดแล้วพวกเขาขอบคุณอัลลอลาอัลลอฮฺให้เกียรติทั้งสองคนนี้ยังไงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอัลลอฮฺให้เนืหมัดเหมือนกันพวกซาบะเนี่ยอัลลอฮฺให้เนืหมัดแต่พวกเขาไม่ขอบคุณบนปลาสุดท้ายเป็นยังไงให้พวกมุสลิมีฟังแลว้วถอดบทเรียนให้พวกมุชลิกีนฟังว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไง หลังจากนั้นก็กลับมาสนทนาเจรจาต่อเชิญชวนกลับไปสู่การศรัทธาต่อโลกสุภาอวตาตรอัลลอฮ์ต่ อ, อจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้ท่านนาบีมุฮัมมัดพูดกับพวกมุชลิกมลองสังเกตดูนะตั้งแต่อายัก์นี้เป็นต้นไปนี่จะมีคําว่าคุลคุลกุลเดียหลายครั้งมากอายะก์ที่ยี่สิบสองคุลไปที่ยี 25, ่บสี่คุลยี่สิบห้าคุลยี่สบหก คุล27่คุลคุลสาครั้งสี่ห้าครั้งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการอุสรูปการเสวนาการเจรจาการพยายามทำให้พวกมุชลิมเนี่ยใช้วิธีในการพูดคุยอย่างมีปัญญาคนที่มีปัญญาให้ใช้ปัญญาในการไตรตรองว่าใครจริงใครเท็จไอที่พวกมุชลิน งมงายอยู่กับการกราบไหว้รูปปั้นต่างๆเนี่ยมันใช่ของจริงหรือว่าของเท็จลองคิดดูก่อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการที่จะมาโจมตีในการที่จะมากล่าวหาขอให้คิดก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันมีข้อดีข้ อ, ขอเสียยังไงให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญายัางไง um อุิดลีนซัมตุมมินดูนิลลาจนกล่าวถึงมุฮัมมัด พวกท่านจงวิงวอนขอจากสิ่งเคารพที่พวกท่านจินตนาการว่าเป็นพระเจ้าไอ้ที่พวกผู้เชี่ยกรีดบอกว่าเนี่คือพระเจ้าของเราอยู่รอบๆกะบะสามร้อยหกบตัวเนี่ยลองไปขอดูสิ่ามันจะให้อะไรยหกมสสิบตัวที่อยู่รอบกะบะเนี่ย ไม่ได้มีการครอบครองไม่ได้มีไม่ได้เป็นเจ้าของท้องฟ้าไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดิมอย่าว่าจะเป็นเจ้าของโลกนี้แม้กระทั่งมิสตกและจระแม้กระทั่งเท่าผงทุลีก็ไม่มีกรรมสิทธิ์เลยไม่ได้เป็นเจ้าของเลยแม้แต่นิดเดียวละอิละอิลละ นะไม่ได้เป็นเจ้าของหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของนะอย่าว่าแต่จะเป็นเจ้าของโลกจะเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์จะเป็นเจ้าของดวงจันทร์เวลาที่ถามพวกมุสลิกีนว่าใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ใครเป็นเจ้าของดวงจันทร์มันก็ไม่ได้บอกว่ารูปปั้นที่มันเคารพเป็นเจ้าของเวลาที่ถามว่าใครเป็นเจ้าของท้องฟ้ามันก็บอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของท้องฟ้าเวลาที่ถามว่าใครเป็นเจ้าของแผ่นดินมันก็บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแผ่นดินไยไม่เมื่อ ไอ้สามรอยหกสิบตัวไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วไปขอจากมันทําไมนันไม่ได้เป็นเจ้าของอันนี้เขาเรียกว่ามิลกีย้อิสต์แคลเรียเป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่รูปปั้นเหล่านี้จะเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหมดนี้ปัญญารับไม่รับรับไม่ได้แน่นอนว่านะว่าว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเจ้าของผท้องฟ้าและแผ่นนี้มันจะเป็นเจ้าของได้ยังไงเพราะมันเองก็ถูก ถูกคนสร้างอะแล้วมันจะเป็นเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆได้อย่างไร سبحان الله เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าข้อที่หนึ่งไม่ผ่านเพราะถ้าจะยึดเป็นพระเจ้าก็ต้องเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของท้องฟ้าและแผ่นดินในเมื่อสิ่งเคารพกราบไหว้เหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของท้องฟ้าและแผ่นดินเป็นพระเจ้าไม่ได้อ่าข้อหนึ่งผ่านไปโอเคไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือเปล่า ะวะลาวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรก์ท่อนตรงนี้วะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรก์ไม่ว่าอะไรแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของ 100% ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของถ้าไม่เป็นเจ้าของ 100% เป็นเจ้าของสัก 10% มั้ยอ้าวสมมตุติเปิดบริษัทมาบริษัทหนึ่ง ใ น, นเวลาที่เราจะไปสมัครงานเราจะไปสมัครกับเจ้าของบริษัทหรือว่าจะไปสมัครกับใครก็ไม่รู้อะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเราจะไปสมัครกับเขาได้ยังไงอ่าถ้าไม่เป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่าถามว่าคนที่เราจะไปสมัครด้วยเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยไหมถ้าเป็นหุ้นส่วนยังพอไหวนะเอา้าเป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้ใช่ไหมผมจะมาสมัครงานกับคุณอา่าบางทีเขาก็อาจจะรับ แต่ถามว่าเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือเปล่ารูปปั้นพวกนี้เป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการครอบครองท้องฟ้าและแผ่นดินด้วยไหมก็ไม่เจ้าของก็ไม่ใช่หุ้นส่วนก็ไม่ใช่เราจะไปขอทําไมอ่าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่หุ้นส่วนเป็นผู้ช่วยหรือเปล่าผู้ช่วยก็ไม่ใช่อีกวมมมมาลูิินนซี แล ะ, ล ะ, ะอัลลอฮฺไม่ได้ต้องการผู้ช่วยเหลือใดๆในการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินซุบฮานัลลอฮฺอายัดนี้นี่อัละะอลอฮฺปฏิเสธสภาพการเป็นพระเจ้าของรูปปั้นเหล่านี้ทั้งสมแง่มุมเลยหนึ่งแง่มุมการเป็นเจ้าของรูปปั้นเหล่านี้ก็ไม่ใช่เจ้าของแง่มุมการเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่หุ้นส่วนแง่มุมในการเป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่วตาอัละะอลไม่ได้ต้องการผู้ช่วย ในการบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหมดของพระองค์เพราะฉะนั้นแล้วไปกราบไหว้ทาไมถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าของมันไม่ใช่เจ้าของถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหุ้นส่วนมันไม่ใช่หุ้นส่วนถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์มันก็ไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ใช่ผู้ช่วยๆหรืออัลลอฮ์แต่ละอีกเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิที่มนุษย์จะไปเคารพกราบไหว้สิ่งเหล่านี้ได้เลยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้เราไปยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นพระเจ้าลาอิลาฮ์อิลล allah سبحانallah ลาอิลาฮอิลล allah, il allah. ใช้ปัญญาคิดหน่อยไร ต, ตรอมหน่อยลาอิลาฮ์อิลล allah ยังไม่จบเนี่ยพวกมุชลินเนี่ยความเรียกอะไรนะความเข้าใจผิดของพวกมุชลิกีนไม่ได้มีแค่นั้นโอเคไม่ใช่เจ้าของยอมรับไม่ใช่หุ้นส่วนยอมรับไม่ได้เป็นผู้ช่วยอัลตตารายอมรับแต่ สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกราบไหว้เนี่ยอาจจะไปให้เชฟอัตในวันกิยามัตได้หรือเปล่าะเป็นคนที่มาคอยรับประกันเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจากับอัลลอฮฺตะลาได้หรือเปล่าเป็นผู้ช่วยไม่ใช่แล้วนะแต่เป็นตัวกลางตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคิดว่ารูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเหมือนที่เราเรียนในสุลตุสุมา พวกมัชริกีนเนี่ยอ้างว่าที่ตัวเองมาเขารถบูชากราบไหว้รูปปั้นต่างๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวกลางระหว่างตัวเองกับ Allah เป็นชาฟีเป็นคนที่จะให้ชาฟอนะเข้าใจว่ารูปปั้นเหล่านี้จะไปให้ชาฟอัตในวันกียรติอัลลอ์ต้าลาก็เลยปฏิเสธอีกรอบหนึ่งไม่ใช่แค่สามละอันที่สี่ก็มา ปฏิเสธว่ารูปปั้นเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ชฝาอัตในวันกิยามต์วะลาตัมฟะอัลชฝาอัตุอินดะฮุอิลลาลิมันอัลกินาลาการให้ชฝาอัตจะไม่เกิดประโยชน์ใดนักที่พระองค์นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตเท่านั้นแล้วเราจะอนุญาตให้รูปปั้นเหล่านี้ให้ชฟาอัตไหมอย่าว่าแต่รูปปั้นเลยนะครับมาลาอิกัดเองก็ให้ชฟาอัตไม่ได้ ท่า น, น บ, บีสัลลัลลอฮุอะ ล, ล, ลัยฮิวสาริมเองก็ไม่สามารถจะให้เชฟอาต์แก่อมุมมะของท่านได้นอกจากหลังจากผ่านการอนุญาตของ ح ح อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เท่านั้นอุลามะอธิบายว่าการที่คนคนหนึ่งหรือบุคคลผู้หนึ่งจะให้เชฟอาต์ได้เนี่ยต้องมีสองเงื่อนไขหนึ่งการอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ผู้ทำเชฟอาต์เนี่ยได้ทำเชฟอาต อย่างเช่นอนุญาให้ท่านนาบีสุลลัลละอุสสลามให้การชาั่วฟ้าตอนที่ท่านนาบีไปสุ jud ตอนน้นอารชสุ j u ดยาวมากชาัฟาอัดแรกเลยที่ท่านนาบีสุลลัลละอุสสลามทำให้กับมนุษยชาติทั้งหมดก็คือชัฟ้าอัดให้อลตัลลอฮ์เริ่มทําการสอบสวนพิพากษาสักทีหลังจากที่รอมานานรออยู่ในทุ่งมักชัดเนี่ยเมื่อไหร่อลตัลลอฮ์จะเริ่มพิพากษาสักทีหนึ่งไม่มีใครกล้าไปขอจากอลตัลลอฮ์ ไปหาอาดัมบอกว่าอาดัมช่วยไปขอจอากอัลลอฮฺตัลลาหน่อยอาดัมบอกว่าฉันไม่ได้นับสีนับสี่ไปหานุนับสีนับสี่ไปหานาบีคนอื่นๆ น, นับสีนับสี่จนกระทั่งถึงท่านนาบีสุลตัลลัลลอฮฺสัลลัมท่านนาบีเป็นคนที่ไปสุ j ู d อยู่ต่อหนา้าอัลลอฮฺและสุดท้ายอาลัลลอฮฺตัลลาก็อนุญาตให้ท่านนาบีขอให้เริ่มทําการฉาบอาตนะเพราะฉะนั้นต้องได้รับการอนุญ า, จาตจากอัลลอฮฺตัลลาก่อนเราคิดหรือว่า รัตต ล, ลจะอนุญาตให้สาม้ยหกสิตัวรอบกาบะเนี่ยให้ชาฟะต์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกราบไหว้ไม่มีประโยชน์อันนี้คือเงื่อนไขที่หนงเงื่อนไขที่สองลัตตาลจะต้องริดอต้องพอใจกับคนที่ได้รับชาฟะต์มันมีทั้งผู้ให้ชาฟะต์กับผู้รับชาฟะต์ผู้ให้ชาฟะต์ ต้องได้รับการอนุญาตจาก a l l a ผู้รับชฟอาต์ต้องได้รับความพึงพอใจจาก a l l a ถ้า Allah ลาไม่พอใจให้ชฟอาต์คนนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านนบีลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซลม l l a h ละอนุญาตให้ทำการชฟอาต์แต่ท่านนบีจะไปชฟอาต์ให้กับ Abu Jahal ได้ไหมเงื่อนไขข้อที่สองไม่ครบเงื่อนไขข้อแรกมีแล้วอนุญาตแล้ว แต่เงื่อนไขข้อที่สองก็คือคนที่รับเชฟอาต์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อัลลอลาพอใจแล้วอัลลอฮฺพอใจอบดุลจาฮหรือเปล่าอัอลลอฮฺไม่พอใจอบดุลจาฮเพราะฉะนั้นทั้นนบีถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ในการเชฟอาต์แต่ไม่สามารถจะไปให้เชฟอาต์อบดุลจาลได้เพราะอบดุลจาฮเป็นคนที่อัลลอลาไม่พอใจเข้าใจได้ยังครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องมีสองเงื่อนไขดัง น, น, นั้นพวกมุชริกนที่อ่าน ว่ารูปปั้นเหล่านี้จะให้ชฟาอัดกับตัวเองในวันกิยามัตเนี่ยถามว่ามีเงื่อนไขข้อไหนบ้างไม่มีทั้งสองเงื่อนไขหนึ่งรูปปั้นเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการชฟาอัดแล้วคิดว่ารูปปั้นเหล่านี้จะมาให้ชฝาอัดตัวเองซึ่งเป็นคนกาเฟรตเนี่ยเลาแต่ล ะ, ละยินยอมไหมให้ชฟาอัดคนกาเฟรตไม่มีเพราะฉะนั้น ولا تنفع الشفاعة عنده อิลลามน์อ <t> ัลด <t> ีนัลฮ์ سبحان الله لا إله إلا الله حتى إذا فُزِعَ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبِير أ t h i เป็นการอธิบายถึงสภาพของบรรดาพวกมุชรีคีนหลังจากที่ทุกอย่างเป็นที่ประจักชัดในวันแม แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะชัดเจนในวันแก้วมัทหมายถึงว่าเฝ้ารออยู่ว่าตกลงจะได้เฉฟาะอัดหรือไม่ได้เฉฟาะอัดเนี่ยใครที่จะได้เฉพาะอัดบ้างใครเท่เารัตละจะอนุญาตให้เฉฟาะอัดบ้างเนี่ยทุกคนตา่างเฝ้ารอด้วยความเครื่ออะไรนะความกังวลความหวั่นเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นความทุกข์ในหัวใจแต่สุดท้ายเมื่อทุกอย่างประจักษ์ชัด เอเเมื ذا, هم, ่อความหวาดกลัวได้คลายออกจากจิตใจของมุชริีหมายถึงว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสติปัญญากลับมาเหมือนเดิมแล้วเริ่มที่จะถามก็ถามพวกมุชรินเหล่านี้ก็ถามว่าตกลงอัลตัลลาวายังไง ับบอกว่าถามตรงนี้หมายถึงถามบรรดา马าอิกสถามบรรดา马าอิกว่าตกลงอัลลตัลลตัดสินยังไงจะให้ชั่วฟ้าหรือไม่ให้ชั้าอย่างไงแบบไหน马拉อิกัสตอบว่ากอลุลฮักกพวกเขากล่าวว่า马าอิกัตอบกับบรรดามุชริกินว่ากอลุลฮักัจธรรมหมายถึงอัลลตลลอนุญาตให้ชัฟ กับบรรดาคนที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นและเหมือนเงื่อนไขสองประการที่ผมบอกเมื่อกี้อัลฮักตรงนี้สัจธรรมตรงนี้หมายถึงว่าการที่อัลตัละ ล, ะละอนุญาตให้ผู้คนที่พระองค์ทรงประสงค์ได้แชฟอาตให้กับบรรดาคนที่พระองค์พอใจเท่านั้นพอทราบทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยม่ใช่กินก็หมดหวงังไม่มีทางที่พวกเขาจะได้รับการแชฟอาตจาก Allah อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสูงและผู้ทรงยิ่งใหญ่ล il ะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสองอย่างอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ประการที่หนึ่งเท่านั้นนะครับการพูดคุยในประเด็นแรกเท่านั้นที่อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนาบีคุยกับบรรดามุชลิม ว่าที่พวกเจ้างมงายจมปลักอยู่กับบรรดารูปปั้นต่างๆเหล่านี้เพราะคาดห่วงว่ารูปปั้นเหล่านี้จะมาให้ความช่วยเหลือจะมาตอบรับด ع อาสุดท้ายไม่มีทางในวันกิยามัตในโลกดุนียะก็ช่วยอะไรไม่ได้ในโลกอาคียร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้ น, นควรที่จะ ไตรตรองและพิจารณาให้ดีว่าสมควรไหมที่จะยังชิริกและตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอะลาจบประเด็นที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อต่อไปหรือประเด็นต่อไปที่อัลลอฮ์จะให้ท่านนบีสุลลัลละฮ์สัลลัมพูดคุยกับมุชริกีนก็คือ ق ุ ل ุม ي ر น ق ك م م ن ا ل س م و ว ت و ا ل ا ر ض ผู้ห ล, ลิเดี๋ยวเราค่อยอธิบายครับหน้ากันแล้วกันนะครับหมเวลาพอดีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึง่ตงต้องค่อยๆดูอายัดทีละอายัดว่าสำนวนของแต่ละอายัดเนี่ยกําลังพูดกับมุชริกีนแบบไหนจริงๆแล้วหลักฐานพวกนี้เนี่ยเราเอามาปรับเอามาประยุกต์ใช้ในยุคของเราได้เวลาที่เราจะด่วาวคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ تعالى หรือคนที่ชีริกกับอัลลอฮ์ให้เขากลับมาเชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานอตัลลาเพียงพระองค์เดียวเพราะสิ่งต่างๆที่มนุษย์ชีริกนั้นไม่ได้มีอำนาจใดๆเลยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นหุ้นสวดไม่ได้เป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์สุบฮานอตัลลาและไม่สามารถช่วยพวกเขาในวันเกียมรติได้แต่อย่างไรอำนาจทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ละอิลลัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์ตัลลาเป็นเจ้าของท้องฟ้าและแผ่นดินชัฟฟะต์ก็อยู่ใน สิทธิของพระองค์เพียงผู้เดียวถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องมีเต ل ل ฮีต่อ a ي l a h s u b ل a n a h u Wa Taala ัลลอฮฺทะอาลาะอัลัมวัฟันัลลอฮฺอียาทุ่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่